ถ้าเรารู้ด้วยตัวเองไม่ได้นะพวกเรามันสาวกภูมิคือคือก่อนจะปฏิบัติก็ต้องศึกษาต้องเรียกว่าปริยัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวชนี่ปริยัติเนี่ ย, ยไม่จาเป็นถึงขนาดว่าต้องไปนั่งเรียนนะเรียนทั้งหมดอะไร่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่อย่างน้อยต้องเรียนให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติที่ถูกนี่จะทํำยังไงต้องเรียนตัวนี้ให้ได้ นี่มันมีธรรมะอยู่ไม่มากเท่าไหร่ที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะคิดจะปฏิบัติอันแรกที่ต้องเรียนเรื่องอริยสัจ ต, ต้องเรียนอริยสัจกามีทุกเนี่ยความจริงทุกเป็นความจริงทุกคืออะไรทุกคือรูปนามกายกระใจนี่เราจะไปมองว่าทุกคือยอย่างอื่นๆเช่นอกหักเป็นทุกตกงานเป็นทุกอะไรเนี่ยความจริงทุกก็คือตัวกายกระใจตัวรูปรนาม หน้าที่ต่อทุกต้องรู้หน้าที่ต่อทุกทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้หละเราต้องแม่นส่วนมากพวกเราก็เจอความทุกเราอยากละทุกอยากละทุกนี่คลาดเคลื่อนหรือเจอกิเลสเราไม่รู้ว่ากิเลสเนี่ยอยู่ในกองทุกเจอกิเลสเราอยากละกิเลสมีหลายคนมาบอกเห็นโทสะอยากละโทสะอยากละโทสะแสดงว่าจับหลักไม่แม่นนะ หลักของอริยสัจหลักของจิตในอริยสัจทุกให้รู้ไม่ใช่ให้หลัะสมุทัยตัวความอยากความอยากมีจริงๆรงิความอยากหน้าที่ต่อความอยากหน้าที่ต่อตัวสมุทัยคือการละในการละสมุทัยเนยเริ่มต้นตั้งแต่อยากจะปฏิบัติเนี่ยต้องรีบจัดการมันซะก่อนพออยากปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มทําให้เบี่ยงเบนะอยากปฏิบัติแล้วเกิดการจงใจจะปฏิบัติ เกิดความตั้งใจจะปฏิบัติแล้วมันจะเกินจริงมันจะไม่ใช่การรู้ตามความเป็นจริงแต่จะเป็นการรู้ตามความอยากนี่ธรรมะจริงๆก็มีเรื่องหลายเรื่องมีหลักๆทุกให้รู้นะสมุทัยให้ละการรู้ทุกการละสมุทยัยนี่นหลคือการเจริญมกักวิธีเจริญมกัมกมัธมมีองค์แปดความจริงมัสมีหนึ่งมีองค์แปด หน้าที่ต่อมาร์กคือทาบ่อยๆทำให้เจริญหลักของการเจริญมารกจริงๆก็ง่ายๆมีสติขึ้นมามีสติรู้กายรู้ใจรู้รูปนามตามความเป็นจริงคาว่าตามความเป็นจริงนี่ตัวปัญญาตัวสัมปชัญญะเราคอยรู้กายเราคอยรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ว่าเขาเป็นจริงๆยังไงส่วนเรื่องมากกว่านี้นะก็เป็นเรื่องของสติปัฏฐาน นะการรู้กายการรู้เวทนาการรู้จิตการรู้ธรรมจะรู้ไปทำอะไรวัตถุประสงค์ของการทาสติปัฏฐานทำไปเพื่ออะไรนะจะทำสติปัฏฐานที่ถูกต้องทำอย่างไรนะพวกนี้ต้องเรียนต้องฟังเพราะเรารู้เองไม่ได้แต่พวกเราก็ฟังไปเยอะแล้วนะนี่พอเราหัดรู้รูปรู้นามได้ตามความเป็นจริงนะต่อไปเราจะเริ่มเห็นเห็นกระ บ, บวนการทำงาน กระบวนการปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาในใจเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใชเห็นหรือเราเฝ้ารู้จิตใจของเราต่อไปเราจะรู้เรื่องพิธีของจิตจิตแต่ละดวงทำหน้าที่อะไรสืบทอดกันยังไงพวกนี้เห็นเห็นเองได้นะคุณนะไม่ใช่เห็นเองไม่ได้แต่ว่า จะเรียนก่อนดีไหมก็แล้วแต่คนนะบางคนชอบเรียนก่อนแต่เรียนก่อนแล้วต้องเห็นนะเราเรียนสภาวธรรมเจ็ดสิบสองอย่างนะถ้าจะเรียนปริยัตเรียนสภาวธรรมเจ็ดสิบสองชนิดนะหรือจะรู้ทุกก็เรียนสภาวธรรมขยายออกไปเ็นร้อยหกสิบอย่างอนะไรแต่ว่าที่สําคัญก็คือต้องเห็นให้ได้สักหนึ่งอย่างก่อนนะในสภาวธรรมเจนะ็ดสิบสองคือจิตนั่นเอง ในสภาวะธรรมเจ็ดสิบสองอย่างหนึ่งอย่างในนั้นคือจิตในจิตมีแปดสิบเอ็ดแปดสิบเก้าะที่จะเห็นได้มีแปดสิบเอ็ดอีกแปดดวงเป็นของพระอริยะเราไม่มีเราไม่มีจะเห็นเราเรียนไปตั้งแปดสิบเอ็ดให้เห็นจริงๆซะก่อนเอาตั้งแต่ดวงสองดวงไปก่อนหัดรู้ลักษณะกว้าง จิตที่เป็นกุศลเป็นยังไงจิตที่เป็นอกุศลเป็นยังไงจิตที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นยังไงเวลาไปงานศพจะสวดกุศลาธรรมมาธรรมที่เป็นกุศลอกุศลาธรรมมาธรรมที่เป็นอกุศลค่อยๆศึกษาถ้าเรียนอย่างนี้รู้สึกยากก็ไม่เป็นไรเรียนอย่างง่ายกว่านี้ก็ได้คือให้คอยรู้สึกตัวขึ้นไหมรู้สึกตัวแล้วก็คอยรู้เท่าทัน ร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้คอยรู้เรื่อยๆมีสติคอยรู้นี่แต่แรกก็มีแค่สติก็รู้เห็นเรายืนเห็นเราเดินเห็นเรานั่งเห็นเรานอนเราเหลียวซ้ายแล้วขวาเราคู่เราเหยียดไม่มีสติรู้แต่ยังไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าจะให้เกิดปัญญาด้วยมีสติมีปัญญานี่เราจะต้องมีความรู้สึกขึ้นมออันหนึ่ง อย่างเวลาเรายืนเดินนั่งนอนความรู้สึกในใจมันจะไม่รู้สึกว่าเรายืนเดินนั่งนอนมันเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งมันนอนเห็นเป็นก้อนธาตุที่เคลื่อนไหวจะมีความรู้สึกพยักหน้ารู้สึกไหเห็นก้อนธาตุมันไหวนะแล้วจิตจะตื่นขึ้นมาตื่นเป็นอย่างนี้นะตื่นอย่างนี้ปฏิบัติใช้ได้ตื่นหนีไปฝันละนึกออกไหมนันการที่เรารู้กายนะ เราเห็นรูปเคลื่อนไหวทันทีที่เห็นรูปเคลื่อนไหวนี่จิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นตื่นรู้ออกมาจากโลกของความฝันเลยเราเห็นเวทนาก็ได้คนดูเวทนานะความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นสมนัตโทมนัตเกิดทางใจอันไหนเกิดขึ้นพอสติไปรู้ทันนะเราจะตื่นขึ้นมาดูจิตก็ได้จิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลนะคอยสังเกตไป ค่อยๆทำความรู้จักไปวันลอย่างสองอย่างหัดเรียนตัวสภาวะนะคือปริยัติหรือปฏิบัติเนี่ยก็เริ่มต้นอย่างเดียวกันคือถ้าจะเรียนปริยัติเพื่อปฏิบัติเนี่ยเราจะเรียนสภาวธรรมเจ็สบสองอยา่างจิตเป็นอย่างนี้เนะจตสิกเป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้เรียนเจตสิกห้าสิบสองตัวนะรูปเรียนสิบแปดรูปเรียนไม่ครบยี่ิบแปดเรียนสิบแปด นี่พอเรียนตัวสภาวะให้รู้จักตัวสภาวะหวังว่าเมื่อสภาวะอันใดเกิดขึ้นตามที่เรียนมาแล้วเนี้ยสติจะเกิดนี่หวังว่าจะเรียนปริยัติเพื่อให้เกิดสติอย่างนี้ก็ยังดีถ้าเราไม่เรียนปริยัตเราดูสภาวะของจริงเข้าไปเลยดูรูปยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดดูไปเรื่อยๆหรือดูจิตใจความสุขความทุกข์ ความเฉยๆเกิดขึ้นคอยหัดรู้ไปเรื่อยๆหัดรู้สภาวะอีเลอย่างสองอย่างรู้ความรู้สึกทั้งหลายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกโลภโกรธหลงความรู้สึกฟุ้งซ่านหดหู่งุดหงิดเลยเนี่ยหัดรู้สภาวะเรื่อยๆเมื่อรู้สภาวะบ่อยๆต่อไปจิตมันจําสภาวะได้จิตจําสภาวะได้แล้วการที่จิตจําสภาวะทำได้แม่นยําเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ พวกเรานักปฏิบัติบางทีพลาดอยู่ๆ อ, อยากให้เกิดสติก็พยายามไปหายใจอยากให้เกิดสติก็พยายามไปเดินลำสิ่งการหายใจการเดินการดูท้องดูลมการบริกรรมอะไรเนี่ยมันไม่แน่ว่าจะทําให้เกิดสติเสมอไปการพยายามบังคับให้สติเกิดยเป็นไปไม่ได้สติเป็นอนัตตา จิตก็เป็นอนัตตาสั่งว่ามันต้องดีต้องมีสติมันมีไม่ได้เราต้องมาเรียนก่อนว่าอะไรทำให้สติเกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุใกล้ของสติเนในอภิธรรม ม, มีคนไหนถ้าเรียนก็จะจับประเด็นได้เร็วอ้ออภิธรรมสอนไว้บอกว่าการจำสภาวะธรรมได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดสภาวะธรรมคืออะไรรูปนามคือกายกับใจเราเนี้ย ทำยังไงถึงจะจำได้แม่นต้องดูบ่อยๆต้องรู้บ่อยๆการตามรู้กายบ่อยๆเรียกว่ากายานุปัสสนสติปัฏฐานการตามรู้เวทนาบ่อยๆเรียกวเวทนานุปัสสนสติปัฏฐานการตามรู้จิตที่เป็นกุศลเป็นอกุศลบ่อยๆเรียกจิตตานุปัสสนสติปัฏฐานเน้นอนุปัสสนาหรือการตามรู้ตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตเนี่ยเราตามรู้เนืองๆตามรู้บ่อยๆ ในที่สุดจิตก็จะจำสภาวะของกายของเวทนาของจิตได้เมื่อจิตมันจำสภาวะได้แนละ้วไม่ต้องอ้อนวอนให้สติเกิดนะสติจะเกิดเอง mm hmm. เช่นเราจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงนะถ้ามาเรียนที่เนี่ยเดี๋ยวช่วงหลังๆจะโดนไล่จี้นะบางคนไม่เคยเจอจะตกใจบ้งหลวงพ่อจะไล่จี้บางคนนะบางคนจะไม่จี้เลยนะพอจี้แล้วตกใจยังไม่ไม่จี้หรอก จะเป็นการฝึกให้พวกเราหัดรู้จักตัวสภาวะจริงๆว่าจิตที่เผลอเป็นอย่างนี้นะจิตที่เพ่งเป็นอย่างนี้นะจิตที่โลภโกรธหลงนะจิตที่รู้สึกตัวจะค่อยๆเรียนไปตัวอย่างตรงอย่างหนงจิตที่เผลอเป็นยังไงจะต้องค่อยๆทำความรู้จักพอจิตมันจำได้ละมันจำได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองเลยอ้อเผลอไปแล้วอ้อโกรธลวนะพอมันอ้อโกรธละเนี่ย สติมันเกิดรู้ทันสภาวะโดยไม่ได้เจตนาจะรู้ถ้าเจตนาจะรู้จงใจจะรู้เนี่ยเรียกว่าถูกตันหานําหน้าละ่ะสติปัฏฐานจะทําโดยเอาตันหามาครอบงํานําหน้าไม่ได้แล้วก็จะเอาความคิดความเห็นมาใช้ไม่ได้ด้วยตันหากับทิฏฐิให้มันครอบงำํำการปฏิบัติไม่ได้ความคิดความเห็นโยนทิ้งไปก่อนมาดูว่าของจริงเป็นยังไงเฉะนั้นเราต้องหัดตามรู้บ่อยๆนะ นี่อะไรเป็นอุปสรรคที่จะทําให้เราตามรู้กายตามรู้ใจตัวเองไม่ได้อุปสรรคมีสําคัญมีสองตัวเองที่ทําให้เราตามรู้กายรู้ใจไม่ได้อุปสรรคหมายเลขหนึ่งศัตรูหมายเลขหนึ่งของนักปฏิบัติก็คือความขาดสติหรือความเผลอนั่นเองวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะเผลอเยอะเห็นคนเดินมาเราไปดูเขารู้หมดเลยใครเดินมาผู้หญิงผู้ชายมารู้หมดเลยแต่ลืมตัวเอง หลงไปดูแล้วก็ลืมตัวเองได้ยินข้างบ้านคุยกันนะตั้งใจฟังอยากจะฟังตั้งใจฟังเขาใครคุยอะไรรู้หมดเลยลืมตัวเองลืมกายลืมใจของตัวเองไปนี่ก็หลงเหมือนกันอยู่คนเดียวนั่งก็ใจลอยไปใจลอยไปสามชั่วโมงคิดเรื่องอะไรบ้างยังไม่รู้เลยนี่ก็เรียกว่าหลงเหมือนกันหลงทางตาหลงทางหูเนี่ยเข้าใจง่ายเพราะมีอย่างเดียวหลงทางตาคือหลงไปดู แล้วลืมตัวเองหลงทางหูหลงไปฟังแล้วลืมตัวเองแต่หลงทางใจนี่ทำงานได้เยอะมากหลงทางใจอย่างเช่นหลงสุดขีดเลยใจลอยคิดอะไรก็ไม่รู้หลงระดับที่รองลงมาตัวนี้เริ่มเข้าใจยากแล้วคิดอะไรก็รู้หมดเลยรู้เรื่องที่คิดขนาดที่รู้เรื่องที่คิดเราลืมกายลืมใจตัวเองสังเกตไหมอย่างขณะนี้นั่งฟังอาตมาพูดสังเกตไหม ฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปขณะที่ฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเนี่ยเราลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมงั้นในโลกนี้ไม่มีคนตื่นในโลกนี้มีแต่คนหลับคนที่จะสามารถตื่นขึ้นมาได้จริงๆมีน้อยเต็มทีต้องฝึกต้องเรียนว่างไง อ๋อคืนนี้ครูบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยส่วนมากท่านสอนพุทธูสอนลมหายใจก่อนนะทําสมาธิกันก่อนสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยมารู้กายมาพิจารณากายนะถัดจากการพิจารณากายจากถัดจากการทําความสงบเนี่ยพอมาอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยท่านจะเน้นการมีสติในชีวิตประจำวันนี่การมีสติในชีวิตประจำวันดูแล้วเพลินเพลิไม่น่าเป็นเพนไม่ค่อยพูดถึงกัน ก็เลยมักจะไปเล่าเรื่องสมาธิคือก่อนจะมาถึงตรงนี้เราต้องเข้าใจนิดหนึ่งจริตของคนเรามีสองจริตนะพวกหนึ่งเรียกว่าตันหาจริตพวกโลภมากพวกพวกชอบความสงบชอบความสุขชอบความสบายนะแล้วก็ทั้งพวกชอบสงบเลยนะพวกไม่อยากสูงสิงกับใครพวกตันหาจริตอีกจริตหนึ่งเรียกว่าทิฐิจริตพวกคิดมากนะในคำภี์่สอนบอกว่าพวก ตัณหาจริตเนี่ยเหมาะกับการรู้กายพวกทิฏฐิพวกคิดมากเนี่ยเหมาะกับการรู้จิตในคำภี่สอนต่อไปอีกว่าพวกที่จะมารู้กายเนี่ยเหมาะกับการต้องทำสมาธิก่อนการรู้กายเนี่ยเหมาะกับสมถียานิสเป็นทางเดินของสมถียานิกการรู้จิตเนี่ยเป็นทางเดินของผู้วิปัสสนาญาณิกเพราะงั้นอย่างถ้าพวกเราเรียนพวกเราส่วนมากเป็นคนเมือง คนที่มาที่นี่ส่วนมากชาวเมืองพวกนักคิดแทบทั้งนั้น น, ะน้อยรายที่จะเป็นพวกโลภมากนะส่วนมากเป็นพวกคิดมาก ว, วันวันหนึ่งยุ่งอยู่กัการคิดชอบวิพากษ์วิจารสนุกกับการคิดนะเพราะงั้นจริตนิสัยของคนชนิดนี้เหมาะกับการดูจิตในการดูจิตนี่ดูเข้าไปได้เลยไม่ต้องทำสมาธินี่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งต้องการชีวิตที่สันโดษเรียบง่ายสงบนะส่วนมาก คนรุ่นก่อนเราคนต่างจังหวัดอะไรเงี้ยวันๆไม่ต้องอยากไม่อยากคิดมากอยากอยู่สบายๆนิ่จริตอย่างนี้เหมาะกับการรู้กายครูบาจารย์วัดป่าทัานส่วนมากท่านจะมาจากชนบทชาชาวบ้านส่วนมากเนื้นเบื้องต้นเลยที่ครูบาจารย์พ า, าทวิธรทำสมาธิ mm hmm. เห็นในวัดตรงตำลาบเยบเลยที่หลวงปู่ม่านสอน สอนให้ทำสมาธิฉัจนจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งกันนี่สมาธิเนี่ยพอทำมากๆมีความสุขมีความสบายจะเริ่มขี้เกียจวันๆก็จะหาแต่ความสุขความสบายอย่างเดียวครูบาอาจารย์ก็ออกอุบายใหม่อย่าไปนอนเฉยๆนะระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะพยายามสอนวิธีที่จะไม่ให้จิตไปติดความสุขความสบายเฉยๆอยู่คือให้จิตมันออกมาทำงานเสียนั้นท่านสอนให้ออกมาคิด อย่าอยู่เฉยเสพแต่ความสุขความสงบให้ออกมาคิดมีการคิดเรื่องอะไรที่จะปลอดภัยสําหรับเราคิดเรื่องกายของเราเองปลอดภัยที่สุดถ้าไปคิดถึงกายสาวใช่ไหมปุ่นเดี๋ยวก็ไปฝึกหมดนะไ้่คิดนึงกายเราเองคิดไปคิดไปะจิตรวมเข้าม่คิดมากๆฟุ้งซ่านทําความสงบออกมาคิดใหม่ฝึกให้จิตเนี่ยหัดทํางาน ทามาเมื่อเลิกหมดเวลานี่ยนั่งปฏิบัติแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยหัดมาเจริญสติในชีวิตจริงๆท่านสอนทำสมาธิมากเนื่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านสิ่งที่สำคัญที่เป็นหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าจะเข้มงวดเข้มงวดมากอย่างเราเดินตามท่านตามหลังท่าน ใจลอยแบ๊บเนี่ยท่านจะหันมาดุแนะ้ะหรือกลางคืนนวดท่านเขากาดไปนวดนะครูบาอาจารย์นวดไม่เป็นแล้วก็นวดนวดไปงั้นแหนะพอนวดนวดไปแล้วใจลอยแบบ๊บอาจจะโดนดุได้ไม่เต็มใจจะนวดก็ไม่ต้องนวดหรอกนะจริงๆเนมะื่อท่านสอนสอนอยู่ในชีวิตนีไม่น า, นานมานั่งบรรยายกันมากนะครูบาอาจารย์วัดป่านะสอนด้วยการทาให้ดู ทำให้ดูจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่จะเหยียดท่านจะทำด้วยความรู้สึกตัวใครขาดสติโดดเล่นงานนะกระทั่งการกวาดวัดนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งสมัยหนุ่มๆไปอยู่กับหลวงปู่ ม, มั่นกลัวมากเลยพอนะบ่ายสามหลวงปู่ ม, มั่นจะลงมากวาดวัดนะท่านจะคอยดูว่าหลวงปู่ ม, มั่นไปทางไหนท่านจะไปทางอื่นทนะ่จะคอยสังเกต นี่วันนึงเห็นหลวงปู่มั่นไปอีกด้านหนึ่งแนละท่านก็มากวาดทย่างนี้กระทักได้ยินเสียงหลวงปู่มั่นกวาดมาข้งหลังท่านก็ตกใจรีบหนีไงกวาดหนีไยในสุดหลวงปู่มั่นเนี่ยเดินสามเก้ากวาดทีเดินสามเก้ากวาดทีทันตามมาทันท่านก็สอนพระน้อยจะกวาดลานเนี่ยนะค่อยๆกวาดค่อยๆทําไปตามลําดับอย่ารีบร้อนนะ ค่อย้ทำไปมีความรู้สึกตัวทำไปเรื่อยๆการปฏิบัติเนี่ยเราขวาดอยู่ก็ให้รู้สึกตัวไปแล้วครูบาอาจารย์สอนกันอย่างนี้ขาดสติแล้วก็โดนเล่นงานท่านถึงสอนเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรเมื่อไรขาดสติเมื่อนั้นขาดความเพียร น, นี่พอท่านมีสติรู้กายนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวทีแรกก็คิดว่าเรากวาดอะกวาดไปนานๆใจมันตั้งมั่น มันจะเห็นว่าไอ้ที่กวาดพื้นอยู่เนี่ยไม่ใช่เรากวาดเห็นรูปมันกวาดรูปมันเคลื่อนไหวนะรูปมันเคลื่อนไหวบางทีก็เห็นจิตมันหนีไปเที่ยวนะมีสติรู้ทันจิตมันหนีไปเที่ยวก็คือจิตฟุงสร้าง น, นั่นเองบางครั้งกวาดไปแล้วจิตใจมันมีความสุขขึ้นมะรู้ว่าจิตมีความสุขเห็นไหมเป็นการรู้รูปรู้นามทั้งหมดเลยเพรงั้นถ้าเมื่อไหร่เราจะทําแต่สมาธิแล้วก็พิจารณ์กาย เวลาที่เหลือเราละเลยปล่อยจิตให้ไหลตามกิเลสไปเวลาส่วนที่เหลือนี่มันเยอะนะวันๆหนึ่ง้็เท่ากับเราทิ้งเวลาส่วนมากของการปฏิบัติไปนี่พวกเราชาวเมืองไม่ได้เดินแนวนี้พวกเราไม่ค่อยได้ทำสมาธิมากแต่ละวันตอนเย็นๆไหวพระสวดมนต์หน่อยนะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทาไปเป็นกิจวัตรแต่เวลานอกเนี้ยหัดจเจริญสติไว้ให้ดี จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างพวกเราฟังนะตมาพูดสังเกตไหมเมื่อกีฟังไปแล้วก็เห็นด้วยก็พยักหน้าแต่เราไม่รู้ว่าเราพยักหน้าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมสังเกตไหมว่าพอรู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าคล้ายๆเราตื่นขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าตอนนี้ตื่นทาไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราตามรู้แต่ถ้าเราจ้องไว้ก่อนเอาละต่อไปนี้จะพยักหน้าแนละ้ว คอยจ้องมะ้รับรองไม่ตื่นทำไมถึงไม่ตื่นเพราะว่าตัณหามันนำหน้าไปแล้วมันอยากดูไม่อยากปฏิบัติเนี่ยแล้วลงมือปฏิบัติเนี่ยตัณหาถ้าเรียนยโยมนาเนี่ยก็จะรู้ว่าตัณหาเป็นสาชาติปัจจัยของการเกิดอุปาทานเกิดพบขึ้นมาในขณะที่พยักหน้าไปด้วยความอยากจะปฏิบัติ จิตดวงนั้นเป็นอกุศ ล, ลจิตสติเกิดไม่ได้เด็ดขาดไปนะไม่มีทางเกิดสติเลยนั่งทำไปเหอะไม่มีสติเลนะนั่งดูท้องพองยุคไปเหอะไม่มีสติหรอกนะยกเท้ายั่งเท้าไม่มีสติพุโทโธไปไม่มีสติหรอกนะแต่ถ้าเราทำใหมนะ่เราเห็นเท้ามันเคลื่อนไหวไปนะเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวหัดรู้สึกไปหัดตามรู้เรื่อย ต่มาพอเราเผอเห็นเพื่อนเดินมาเราจะวิ่งไปทักเนี่ยพอเราเก้าวขาปั๊บเนี่ยสติเกิดเองเนีะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่แปล ว, ว่ารู้มือรู้เท้ารู้ท้องรู้ลมหายใจนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆเป็นสภาวะที่จิตมันตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตฝันรู้จักจิตฝันไหมหนีไปคิดและเนี่ยสภาวะแห่งความตื่นอยู่ตรงเนี้สังเกตไหมตื่นได้แว บ, บเดียว เพราะอะไรพมันเป็นแค่คณิกะสมาธิตื่นได้แว บ, บเดียวเดี๋ยวก็ดับใหม่แนละ้วหลงใหม่เผลอใหม่หนีไปละวรู้ไหมหลวงพ่อไม่ได้สอนเพื่อไม่ให้หนีนะเออหนีได้แต่หนีแล้วหัดรู้จักว่าจิตหนีไปคิดเป็นยังไงนะลืมตัวเองเป็นยังไงเห็นไหมลืมอีกแล้วคุณผู้หญิงเนี้ยแม้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกตัวน้อยที่สดุดแทบไม่มีเลย นะเพราะงั้นจิตส่วนมากของพวกเราคืออกุศลและจิตนะต้องเรียนเข้ามาจนรู้จักว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลชนิดไหนเป็นอกุศลนยจิตฟุ้งซ่านนะนี่ยนีพิคิดละหนีพิคิดธรรมะเนี่ยนะเนี่ยจิตมีความสงสัยเกิดขึ้นไม่รู้ว่าสงสัยเนหะ็นไหมไม่รู้ว่าสงสัยเนี่ยมูหะนะ ไม่จําเป็นนะไ ม, นไม่แน่ไม่แน่นะไม่แน่นะคือเราแต่ละคนเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะบางคนทําอะไรไมาเยอะแล้วอย่าง่นถาเราปฏิบัติต้องพเข้าใจก็เลยจำเป็นเข้าใจกูแตลว่าตัวคิดก็ด้คืออย่างน้อยต้องเรียนพื้นฐานให้ได้ก่อนต้องรู้จักก่อนนะบทเรียนที่ต้องเรียนก่อนที่ไปลงมือปฏิบัติเนี่ยมีสามบทศีลสิกขาเรียนเัืงศีล จิตสิษยาเรียนเรื่องจิตแล้วก็ปัญญาศิกขาเรียนวิธีเจริญปัญญาเรียนสามอันนี้ก่อนนะมากกว่านี้ไม่จําเป็นอยังจะเรียนเรื่องวิธีจิตยจําเป็นไม่จําเป็นไม่ถึงขนาดนั้นนะศีลสิกขาอย่านึกว่าง่ายนะศีลสิกขาเรียนเรื่องศีลนะพวกเรารู้จกักศีลห้าศีลแปดศีลที่เที่ยวไปขอจากพระครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่าศีลยากจน ที่ไปขออย่างเท่าศีลนาถาศีลนะจริงๆก็คือความเป็นปกติของจิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงำศีลห้าศีลแปดนี่เป็นศีลเชิงจริยธรรมศีลของผู้ปฏิบัติมีอีกชนิดหนึ่งนะไม่ว่ายินเสียสังวรศีลอยินเสียสังวรศีนหมายถึงว่าเวลาที่ตาเรามองเห็นรูปนะความยินดียินร้ายเกิดขึ้นที่จิตเรามีหน้าที่รู้ทันว่าความยินดียินร้ายเกิดขึ้น ถ้ารู้ไม่ทันกิเลสจะครอบงําจิตนะเช่นเราเห็นคนเดินมานี่เพื่อนเราเห็นคนเดินมานี่เพื่อนเราเดินมาความยินดีดีใจมันเกิดะดีใจเกิดถ้าไม่มีสติรู้ว่าดีใจนะก็วิ่งไปคุยเลยลืมเนื้อลืมตัวให้กิเลสเกิดกิเลสครอบงําจิตนะแต่ถ้าเห็นว่าโอ้มันดีใจเห็นความดีใจนะความดีใจก็จะดับใจเข้าสู่ความเป็นกลางไปคุยกับเพื่อนคุยไปคุยไปมันขัดคอเรา แหมเสือแรงดีใจมันมาขัดคอเราความโกรธเกิดเนี่ยเสียงกระทบหูความโกรธเกิดมีหน้าที่มีสติรู้ทันความยินร้ายเกิดขึ้นในใจแล้วถ้ารู้ไม่ทันความโกรธหรือความยินร้ายก็ครอบงาจิตอาจจะไปด่าเพื่อนแต่ถ้าอย่างสุดว่าความโกรธเกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันความโกรธครอบงาจิตไม่ได้เราจะไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขานี่ศีข้อหนึ่งได้ละ เราจะไม่ด่าเขาเนี่สีข้อสีมันเกิดขึ้นแล้วหรือเราเห็นสาวสวยนะเอ็มคุ่นนี่ไปเห็นสาวสวยเมียชาวบ้านอยากได้รู้ว่าอยากได้กิเลสไม่ครอบนำจิตเราเราไม่ประพฤติผิดในกรม